มณีการสักกะวันวานีคร้าถึงงงอินทาเนา ขอได้เป็นเพื่อนว่า เพราะบ่มีเพื่อนน้องเลี้ยงม่านกู Fem-đen per tàm hún tăng, com fai com sửa thò, Dũng que tà phàm thò, com fai fóa than càn đoàn, Đuàn siê-xuôn se bà ai càn xà đèo. Và chân บาทอันชุลินี้ถามเข้าพระฤติผ้า ด้วยเดขามพระบาทเจอข้าขอพื้นปารามีข้าวในจนเตียง Xa con phương than, trom chec khăn nửa hòa Có chung cunanan, khăn chạc phá phóng xương à, Mưa năn, nửa hòa cho, săn don praya vẹt Phó hô hìa căng năn, khăn chạy tàn lòp tỏ than เล่าตากตาลจะตั๊กพระมา โด่แอแน่บุญที่ข้าได้ทำทอดพันลายาคอยอินตามฝอยกัน ยุ่มๆๆนาพาน้อยดอกหยังน่ะล้อทางสาติแก้วสาม กั้นกำก๋นเข็นไห้ ทางพระสงฆ์ยังแท้ขอโอ้อย่าประมาทเฮาประกาศให้ได้ Wow หอหอนคัน จบบ้านพระคาถาคุณยุมยนิธิตาสักกะบันส่วน <ül> อาจารย์มาหาพิมพ์ฟ้าสิวังไว้จ๋าละในเพ่งนี้ดอกพอรีจอด แต่ตวาเบื้องหน้าก็แทเน่สิที บัวนี้ใสสะสั่นเจ้า หาหนมาท้ายให้รกฟังรูดแนวเนยาติที่จากพระองค์ไปที่ขึ้นมาเทียงแท่รกฟันนี้เจ้าแน่นอนก้าวถึงภามาโนเท่าภาสองสีลงฟ้าได้สิภาขวบมือแต่นอนข้างรกแค่ไฟ บ่าทันนั้นกะล้อยเข่าประเจ้าไซมื้องไงข้าวนั้นคุ่งสนชัยลียวหินลานอนหน่อยกะจำไหนเนอนพระจิงไซมัตยไงติดตามน้ำมาวพ้ามกับลานโดกสู่หูงหอบวางชีทังควางถามส่อ ra điu hoa hoàn độcầ hầm là anh nhá bọn bànương cho hầmให้ắn ngày đây hẹnó จังสานจริงน้ำไทยหลานลากจากว่าเงินหรือทงสิ่งของกระเนวรอยให้แก้ตาพร้ำเท่า ก็อันเตนันดัน ผ่างต้องยำแล่ฟ่ามำกงมำแลยำปีอันเป็นเครื่องกี่แรงเครื่องจ้ำมีทั้งน้ำแก้วใสเส้นต้มแกงซ้มใส่ <aaa> Màn càng leo lặng Hình thùng thang Ngọc nặng hình thúc phái Thằng hình lại Thằng con hồi dù nhì Ôm ยังนําឡายไงตพuยสโจ អําเทง เก็บข้าไก่ใส่ลั่นถามม่มมันพ่แมงเขียวฟังพ่เบียวโข่งหูเข็มมงน้อยลืมแสงคิดตาขอ แต่นั้นมันกับไปม่างว่าม่างมองกิดมึกสามคัมจะกิดมึกสาม 飽มammedικveis ологัวมูด มมุดสามขะดิุค Shoulder остиยมым hurting ทำการถูเครื่องคาวมาใส่ โอ้ม่านเชิญเลียนเลียขึ้นเหนือบางทุ่มเฒ่าตาย <S an> <S an> <S an> หานใจ L'hè-nàm, tò hòu an ten an bàn pà nya bòn lòm an si xu n an chang in du phàm an nam fin si m phà ng sang va n luồn am ma thang la ดุทั้งหลายจวนไปทันมอยยามมะละกางพามเนมอย คราวเจิงเอาหากมาแสบหม่องฝนใส่ เขาจึงเอายาผงมาให้พังหายท้องท้องก็บ่หายน้อยบ่นานใส่พามกันแตกปีหี แตกกะบ่แตกคือซื่อยู่มุ่ยแตกถึกโฮงพยาบาลเพ 2 น้ำ 3 ดานแตกใส่หัวล้านตาย 3 คนแตกใส่หมอนมุลตาย ว่าอูหนอพามเอ้ยเจ้ามา กางทั้งคันโดไม่ก็หอยสังโอ้ยทั้งหลายเพิ่นตายเอ้ยตายย้อนเจ็บตาย เจ้ามากินคือ ลาวมักหลายพันแม่นม่ําคําว่าก่อพันขอเพียอีกอันนึงลาวมักหลายพันแม่น้ําตมเพียพัน ทางให้ซอมสะโทส่งจักว่า ตายบ่มีญาติของทุกเส้นใจแค่หดหมดสายใจดอกทําให้ ตอจากคั่นก็จึงได้ดอกเตือนเผาเสนาธรรมกาลทาง บ่อนใดสูงกะขุดเต็มบ่อน มาทําทางบ่มี เทืองดอกใหญ่จ้างเสียพี่ใน 12 ขัวเผ่ณีดอก ยางทุ่งหยังผิวหวานดอกเหียงหลายเดียละดาดประดับด้วยกล้วยห้อย หัวมูกคลจะล่อสางลกสู่ห่างเอ่เต็นแสนสรุปมากลนลกสามทางระวังทางเมียทางมาและสาง Cunca lai mạc luồn, tròn và ăn phà na phai Pà trai tròn loài độc lắng phai Chàu khử nàm Khàm khóc xuống lúc hiểu hoài Nhìn sà on pha bày on Nhìn sà on muôn bèng Cà lèm sàu lột vó ngấu Tên mưa sàu độc nhai thăm càm, uán, thèo, nhai. ว่ามีเนวสิกวังคาดสำหรวบบีพีกยันคนเรียงกันเป็นแถวทานกูกสำรัญสาวบ้าวพวกคู่เท่าก็พองหาวทั้งเป้าอย่านบ่าทั้งนับหลายลงหลายมือจังเดินถึงแถวเทือนเหมือนดังลูกขลมปีน jo com l'en lung lèo. Càng dài thèo ung lòm, Nọc phà phà nít tà níng, Thấm phà phà nít tà níng, Khói vắng hình tiệp châu, Thà hàn phàu nọc du nhóm, Anh hoa khảo lé nam, Bà út nhạc, Nếu đầy cuồng xuân cháy, Nơi phát được Quen tăng quen canón lưng mà mi tiền quà com hòm su khuôn thà mạc mẹ em fà ngọt ที่มหาราศนุกสิบเก้าข้าฐาทวนทวนสิโยมว่มจะไว้โกนมุนอาจารย์ปิ้นสอนถึงแล้ว อ่าบะสร้างตัวค้าจังพิมพ์พา อาราธนาพรรณจุบดก่อนให้เตะเพลง หึนี่ ตางองค์ตางก็ได้เทศเพิ่ม เออตอนนี้ตอนใดว่าสิในยายตอนเพิ่น ถือว่ากันมาล้านเจ้าเจ้าพ่อหลวง ขอมาก่อนนี้ดัน ไฝ่ไปหน้าหนัก เทศนี้กระตังโอ้งกระตังใดในล้องเหลืองเทศษณะรอกแม่ไงหันหูมาหันตาบบัง al te than Khai mô lộn mạc Kỳ xuân say Tồn chén ngọt Trọng chiền trào trọng tràn Vốn xuống ta còn giữ là sẵn Toàn mộng thông Có cám cạn tên kia Ta chẳng คืนต่อเวียงขึ้น và anh bạn bạn thuê tàn càng thằng cháu quan quái quàn chê đoàn thúc ngó mà thì càng ตที่កบนา màจทลต cang cha tu pum ma nai kala khung khe wa an khen thi sa ta wang khe phikawenu na phin khu thang Súca sáfe na cá La xaúm a un còu a un túc u sa pufò Muốn a un ma thang de na lé Muốn tí de se lèn Thuïn ca nái mà phóng Pua cú cú t'ha nú án phúng Ai chán lèn nàng quà tâm à phóng Pua cú nướng mong Nà đầy xíc xoan hàn cú คำบามี ไหว้วังนอนตามมาทองใครขางสร้างลบ สาสากันแค่สาว่าอู้โคโค ก้าตีวันวันก่อนประชาว่าเจ้าว่าเจ้าบ่ทุนทนใจดืนจากมาคอนประชาชนพวกพี่น้อง นี่ละที่ เหตุต่างๆจ๋าบ่เคยเดือด วันไปทำล้างกะสร้างๆดอกหอฟัง อยู่ในดงแดนดาว นี่หลักกันนี่ล่ะพี่น้องเริ่มเรื่องดอกปิ่นมา 3 กติฉิเวลาเสือกกล่าวขึ้นเมื่อวังพอรับขันนิวนแล้วสิกลับขึ้นนอกเขตที่คือกันหาชะลีรับเอารู้ซากเรื่องที่ขึ้น นครประชาชนล้านไหนกําลังไป พร้อมด้วยลูกก็เลยเอินแก้วดอกคือ บ่ามิทุกดื่อ thอด น่าลาจากขอว์ล่าจากดอกกังพ Jamie Faria なん Đọc toàn là khẩu bóng cuột trí Quảng phái thăng quảng Ôi sát thăng quảng mà lèo xong Ôi phá cán hoàng ngầm Mày đọc thăng sâu đọc cầu mõ Căn bên phùng phá mày Đọc cưới xương bàn ngam Ôi phùng phá mày Đọc cưới xương bàn ngam Thế điều này cả lời phá cán chôm Đọc ngọc ngầu hậu hài เชิญทั้งหลาย Dangilang lok กอนาบนปุงปวง 3 คืนจึงถึงทีได้กะเจได้กี่คืนจึงออดบ้านดอกไคข้างห่างมาพระราชาพระพ่อเจ้าดอกเข้าสู่ในนครเวสสันดรก็คือกันขึ้น นี่ล่ะพวกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้เพิ่นฟังเทศน์เรื่องเราเล่ากะยอมไม่จำแม้สัทติสัททมันคุณยู่มื้อสัทติกันนคร กะกะกะกะกะกะกะกะกะกะ แล้วพวกฉันพี่องค์แล้ว